เป้าหมายของชีวิตเขาต้องการอะไรนี่นะเขามองบอกว่าอย่างที่ว่าการสแสวงหาโภกข้ัพย์ของเขาก็เพื่อใช้ใจ่ายเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้และเขารู้ว่าประโยชน์โลกหน้ามันคืออะไรประโยชน์คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงวิธีที่จะออกจากวัตฏะทำได้อย่างไรทําให้แจ้งสิ่งใดแล้วจึงออกจากวัตฏะโดยมากเขาเขาสังสมอัธยาศัยเหล่านี้มาเขาพอมีความรู้มีความเข้าใจนั้นพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเขาก็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 มีอโลภัทยาใสยพระองค์ก็ส่งเสริมถ้าอัทยาใสยเป็นอะโทสัตย์ทายาใส่มุ่งกําจัดโทสะพระองค์ก็ส่งเสริมอะโมหตัทยาสสยอัธยาใสยมุ่งกําจัดโมหะพระองค์ก็ส่งเสริมวิเวกัตทายาใส่เน่คัมมัตทายาใส่จนถึงที่สุดนิสรณนัพทายาใส่หรืออัทยาใสยฝักใฝ่ายในเรื่องปัญญาเป็นต้นพระองค์ก็สนับสนุนส่งเสริมอุปนิสัยเหล่านั้นจนเขาสามารถที่จะ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 เมืองพารณสีอยู่ในเรียกว่าวัดอะไรนะกาสีชนบทแคว้นกาสีเรียว่าแคว้นกาสีแควนโกศนอะไรเรียกวควนโกศนแคว้นมละอะไรเรียกกันกันเควนแควนควนสมัยนี้ก็คือเป็นประเภทอะไรเป็นหลายๆจังหวัดนะหลายๆจังหวัดหรือเป็นจังหวัดจังหวัดที่ออกเคว้นอะไร สมัยใหม่เขาใช้แว่นแควนแดนอีสานนะครับแปลว่าแควนอีสานขนเหนืออันนบางแห่งสมัยใหม่ก็จะขนเหนือขนใต้ขนออกหนตกก็ใช้คําว่าหนก็ได้นะก็ตอนนี้ใช้แว่นแควนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะออกนอกทางนะเสร็จแล้วก็ทรงพระทรงแย้มแย้มพระโอษฐ์ก็คือยิ้มนะนะประเทศสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็มีความคิดขึ้นว่า เพราะเหตุอะไรเนอเพราะปัจจัยอะไรเนอที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแย้มพระโอสถคือคือการยิ้มเนี่ยนะถ้าบอกว่าการหัวเราะการยิ้มคนธรรมดานหัวเราะยิ้มยังไงหัวเราะดังคิกคักคิกคักอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเป็นพระอารหันต์ทั้งหลายนี่ยิ้มพอเห็นไรฟันแต่ถ้าของพระพู้ศทธเจ้าแค่พเพย์ปากนิดเดียวแล้วพระศมีจะพุ่งแสงลำแสงนี่จะออกจากพระโอสถเนี่ยนะแล้วก็เวียนประทักเสียงรอบพระเสียงสามครั้งแล้วหายไปอันนั้นนะเป็นเหตุให้พระ น, นรู้ว่าตอนนี้พระองค์ยิ้มอยู่ว่า ง, งั้น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 พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอนนร์เรื่องเคยมีมาแล้วสถานที่ประเทศแห่งนี้เนี่ยนะมีนิคมชื่อว่าเวภลิคะเป็นนิคมที่มั่งคัง่งเราเป็นบ้านหรือเป็นตำบลที่ร่ำรวยมากนิคมก็คือตำบลหรืออำเภอที่ร่ำรวยมากมีคนมากมีมนุษนาแน่น สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่เ พ, เพลิกขันนิคมอยู่ดูก่อนอ น, นุนได้ยินว่าที่นี้เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่ที่พระองค์ประทับเนี่ยเป็นเบาะเป็นที่นั่งที่เดียวกันที่พระพุทธเจ้ากัสปะนั่ง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 ได้ยินว่าณนะสถานที่ตรงนี้เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระตุหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระตุหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้และในเวพาลิขานิคมเนี่ยนะมีช่างหม้อชื่อวัคติกะระเป็นหมู่บ้านช่างหม้อเนี่ยนะเป็นเรามีช่างหม้ออยู่คนหนึ่ง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 คำว่าสหายเป็นที่รักก็คือไม่เบื่อที่จะคบหาสมาคมกันไม่เบื่อที่จะคุยกันเป็นต้นเรียกว่าเพื่อนรักครั้งกันครั้งนั้นคติการะช่างหม้อผู้เป็นอนาคามีก็ไปเรียกโชติปารละมานพว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า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 มีประโยชน์ตรงไหนไปเห็นพระหัวโลนน้นกันก็ทีนี้ น, นะจากข้อความตรงนี้เนี่ยนะเขามีข้อความในมิลินทปัญหามิลินทปัญหาก็บอกว่าพระนาคเณว่าพระคุณเจ้านาคเกนอันนะมีอยู่ในชาดกเรื่องหนึ่งนะว่าพญาช้างเนี่ยะจะฆ่านายพรานพอมองเห็น้ากาสาวพัท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 เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราไปอาบน้ํากันดีกว่าเสร็จแล้วมาถืออ่ะ น, นะถ้าอย่างนั้นเรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเนี่ยนะเวลาไปอาบน้ําในแม่น้ําอาบน้ํากันเถอะเอออ่างงีห้รับคําชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปชวนไปอาบน้ําไปอ่ะ น, นะเตรียมเครื่องซักเครื่องฟอกหาแฟบสบู่อะไรเอาไปได้ไปอาบน้ําไปแต่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปบางว่าเอาไปเที่ยวทะเลไม่บอกไปฟังทำใบ ไ, ไม้เอาไว้ก่อนนะค่ะค่ะแล้เนี่ย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 นะบอกว่าอย่าเลยเพื่อนคติการาชจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณศีรสะโลนนั้นที่เราได้เห็นแล้วเล่าไปเห็นทภาพของโล้นมีประโยชน์อะไรนะก็ถูกปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สชวนตอนแรกสครั้งก็ถูกปฏิเสธมาอาบน้ําคละระหว่างที่อาบน้ําชวนอีกก็ปฏิเสธอีกสครั้งโอ้ยถ้าของมาถ้าพรเป็นของมานะเลิกชวนนะ่ครั้งแรกแล้วงั้นะไม่ไปก็ไม่ไปสิเห็นงอเลยอะไรงี้ยไง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 ทำไมทำไมเราจึงเขี้ยวเข็นให้เข้าไปเพราะสิ่งนั้นดีสําหรับเขาสิ่งนั้นมีประโยชน์สําหรับเขาในอนาคตสําหรับนี้ก็เหมือนกันในฐ า, านะของคติการะช่างหม่อผู้เป็นอนาคามีเห็นเพื่อนผู้สั่งสมบุญมาดีเนี่ยนะมันถ้าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาจะได้ดีเพราะฉะนั้นไม่เบื่อหน่ายที่จะชักชวนอย่างนั้นเรียกว่าชวนครั้งที่หนึ่งไม่ไปเอาไปอาบน้ำเอาไปก็ไปชวนต่อไปอีกเนี่ยนะ เสร็จแล้วดูก่อนอันอนนคติการะช่างม่อก็จับโชติปาระมานพที่ชายพกจับที่ชายพกก็คือแถวแถวอะไรนะหางกระเบนอะไรแถวแถวนั้นนะ่ะจับแถวนั้นเสร็จแล้วบอกเพื่อนตรงนี้เนี่ยไม่ห่างจากวัดนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะก็ถูกปฏิเสธอีกอนะบอกว่านะแก้มือจับให้ปล่อยชายพกเสร็จแล้วก็บอกอนะว่าจับจะจูงไปว่างั้นเถอะบอกไม่ไป เสร็จแล้วคติการะช่างหมอ่อก็จับโชติปาลมานกที่อาบน้ําดํำกล้าวแล้วว่าสะผมเสร็จแล้วเนี่ยนะก็กล่าวว่าเพื่อนที่นี้ไม่ไกลจากสํานักของพระผู้มีพระภาค น, นะก็บอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะก็คือจับจับตัวเลยนะเสร็จแล้วครั้งที่นี้ต่อไปบอกว่าอขออภัยตรงนี้เนี่ยจับจับที่ผมเลยนะจับผมเลยครั้งแรกจับจับอะไรนะจับท้ายผ้า ชวนแล้วหครั้งก็ไม่ไปจับชายภาพไม่ไปนี้จับหัวดึงไปเลยกันนี้แทบจะจูงไปเลยนะจับหิ้วไปเลยอย่างเงี้ยเดึงหัวไปเลยบอกว่าไปเฮ้ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถือกันว่าเป็นความดีโชติปาลมานพเนี่ยโกรธไมเพรเพื่อนจับหัวเลยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาหนอคติการะช่างหม้อผู้มีชาติต่ำวันน่าเคร่งมากนะโบ น, น์อินเดียนี่แขร่งมากเลยเรื่องวันน่เนี่ยนะ ก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาเขาถือกันวันนั้นาดูกันตรงไหนก็บอกสายสะพายเขาแบบนั้นถ้ามีสายสะพายเป็ น, เ ป, นเป็นพวกสายสินเนี่ยนะคล้ายๆกับสายสินเขาจะมีว่าเนี่ยใช้ได้กี่เส้นแล้วกี่กี่ชั้นกี่เกรดอะไรเนี่ยเขานับกันที่ตรงนั้นสู้ของพระนี่นะถ้ามีรัตตะคดเป็นร้อยเส้นแล้วเงี้ น, นะบางองค์ก็ไปใช้รัตตะคดนี่ไงบอกวันณั้สูงกว่าไกลอีกแบบนั้นเสร็จแล้วพวกโชติปาระมานพเนี่ยนะผมเคยคิดว่าอาศัศจริงๆเลยนะไม่เคยมี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 ถ้าอย่างนั้นปล่อยเราจะไปนะแล้วก็ชวนมาหลายครั้งแล้วไปก็ไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อและโชติปาระมานบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่ประทับแล้วคติการะช่างม้อก็ถวายอภยิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง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 คติการะช่างหม้อนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคพนาวัคคสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้โชติปาลมานพปิยสหายเพื่อนอันเป็นสหายที่รักของข้าพระผู้เจ้าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดนะบอกเพื่อนรักกันมากนะช่วยแสดงธรรมให้เขาฟังหน่อยดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค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 แต่ท่านปราถนาสัพพัญยุตยานยังลงณมหาโพธิบลังธรรมดาคนเช่นท่านไม่ควรจะอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยนะหรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่าโชติปาระมานพเรานี้บำเพ็ญบารมีสิบประการตรัสรู้สัพพัญยุตยานมีภิกษุ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 ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตของโชติปาลมานพพอฟังอย่างนั้นก็ยังไงเห็นแจ้งสมาฐานอาจฐานร่าเริงด้วยธรรมีกระทาเพลิดเพลินชื่นชมพระภาษิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพาตุฐนตาสัมมาสัมพุทธเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพาตุฐานตสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทําประทักษิณเสร็จแล้วก็หลกไป